ถ้มบทแปลเรื่องที่สิบเรื่องนายจุนทสุกริกข้อความเบื้องต้นพระสัส ด, สดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบบุรุษ ช, ชื่อจุนทสุกริกตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอธิโซจติเปจจติโซจติเป็นต้นตอน นายจุนทะเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงสุกรขายได้ยินว่านายจุนทะสุกริกนั้นฆ่าสุกรทั้งหลายกินบ้างขายบ้างเลี้ยงชีวิตอยู่สิ้น55ปีในเวลาข้าวแพงเขาเอาเกวียนบรรทุกข้าวเปลือกไปสู่ชนบทแลกลูกสุกรบ้านด้วยข้าวเปลือกประมาณหนึ่งธนานหรือสองธนานบรรทุก เต็มเกวียนแล้วกลับมาล้อมที่แห่งหนึ่งดุดขอบข้างหลังที่อยู่แล้วปลูกผักในที่นั้นนั่นแลเพื่อลูกสุกรเหล่านั้นเมื่อลูกสุกรเหล่านั้นกินก็ผักต่างๆบ้างสริระวลังชะคือคูดบ้างก็เติบโตขึ้นเขามีความประสงค์จะฆ่าตัวใดตัวใดก็มัดตัวนั้นตัวนั้นให้แน่น หน้าที่ฆ่าแล้วทุบด้วยค้อนสี่เหลี่ยมเพื่อให้เนื้อสุกรพองหนาขึ้นรู้ว่าเนื้อหนาขึ้นแล้วก็ง้างปากสอดไม้เข้าไปในระหว่างฟันกรอกน้ําร้อนที่เดือดพล่านเข้าไปในปากด้วยทนานโลหะน้ําร้อนนั้นเข้าไปเดือดพล่านในท้องขับกรีดออกมาโดยส่วนเบื้องต่ําคือทวารหนักกรีดน้อยหนึ่ง ยังมีอยู่เพียงใดย่อมออกเป็นน้ำขุ่นเพียงนั้นเมื่อท้องศาสตร์แล้วจึงออกเป็นน้ำใสไม่ขุนทีนั้นเขาจึงราดน้ำที่ยังเหลือบนหลังสุกร น, นั้นน้ำนั้นลอกเอาหนังดำออกไปแต่นั้นจึงลนขนด้วยครบญ่าแล้วตัดศีสากด้วยดาบอันคมรองโลหิต ท, ที่ไหลออกด้วยภาชนะ เคาเนื้อด้วยโลหิตแล้วปิ้งนั่งรับประทานในถ้ำกลางบุตรและภรยาขายส่วนที่เหลือเมื่อเขาเลี้ยงชีวิตโดยทํานองนี้นั่นแลเวลาได้ล่วงไปห5ห้าปีเมื่อพระตถาคตประทับอยู่ในธุระวิหารการบูชาด้วยดอกไม้เพียงกามือหนึ่งก็ดีการถวายพิกษาเพียงทัพีหนึ่งก็ดีชื่อว่าบุญอื่นน้อยหนึ่งก็ดี มิได้มีแล้วสักวันหนึ่งครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นในสรีรลักของเขาความเร้าร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาทั้งเป็นทีเดียวตอนอเวจีนรกร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดาขึ้นชื่อว่าความเร้าร้อนในอเวจีย่อมเป็นความร้อนที่สามารถทําลายในตาของผู้ยืนดูอยู่ในที่ประมาณหนึ่งรยโยต์ได้ สมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังนี้ว่าความเร้าร้อนในเอเวจีแพร่ไปตลอดหนึ่งรยโยธโดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อและเพราะเหตุที่ความเร่าร้อนในเอเวจีนั้นมีประมาณยิ่งกว่าความเร้าร้อนของไฟโดยปกติพระนาคเสนเถียร่าจึงกล่าวอุ ป, ปมานี้ไว้ว่ามหาบาพิษแม่หินประมาณเท่าเรือนยอด อันบุคคลทุ่มไปในไฟนรกยอมถึงความย่อยยับได้โดยขนาดเดียวฉันใดส่วนสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นเป็นประหนึ่งอยู่ในคันมารดาจะย่อยยับไปเพราะกำลังแห่งกรรมเหมือนฉันนั้นหาไม่ได้ตอนนายจุนทเสวยผลกรรมท่านตาเห็นเมื่อความเราร้อนนั้นปรากฏแกนายจุนท่าสุกริกนั้นแล้ว อาการอันเหมาะสมด้วยกรรมก็เกิดขึ้นเขาร้องเสียงเหมือนหมูคลานไปในถ้ำกลางเรือนนั่นเองไปสู่ที่ในทิศตะวันออกบ้างสู่ในทิศตะวันตกบ้างลำดับนั้นพวกคนในเรือนของเขาจับเขาไว้ให้มั่นแล้วปิดปากธรรมดาผลแห่งกรรมอันใครๆไม่สามารถจะห้ามได้เขาเที่ยวร้องไปข้างนนบ้างข้างนี้บ้าง คนในเจ็ดหลังคาเรือนโดยรอบยอมไม่ได้หลับนอนอันหนึ่งคนในเรือนทั้งหมดเมื่อไม่สามารถจะห้ามการออกไปภายนอกของเขาผู้ถูกมรณะภัยคุกขามแล้วได้จึงปิดประตูรเรือนล้อมรักษาอยู่ภายนอกเรือนโดยประการที่เขาอยู่ภายในไม่สามารถจะเที่ยวไปข้างนอกได้ตอนสเสวยผลกรรมในสัมปรายภพ แม้นายจุนทาสุกริกเที่ยวร้องไปข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้างภายนเนืเรือนนั่นเองด้วยความเร่าร้อนในนรกเขาเที่ยวไปอย่างนั้นตลอดเจวันในวันที่8ทํากาละแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกปราดพึงพันานาตามเทวทูตสูตรตอนพวกภิกษุเข้าใจว่า เขาข่าสุกรทำการมงคลพวกภิกษุเดินไปทางประตูเรือนของเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วเป็นผู้มีความสำคัญว่าเสียงสุกรไปสู่วิหารนั่งในสำนักพระศาสดาแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสุกรทั้งหลายอันนายจุนทสุกริก ป, ปิดประตูเรือนข้าอยู่วันนี้เป็นวันที่เจ มงคลกิริยาไรๆชรอยจกมีในเรือนของเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมตตาจิตหรือความกรุณาแม้อย่างหนึ่งของเขาผู้ข่าสุกรทั้งหลายชื่อเท่านี้ย่อมไม่มีกษัตริย์ผู้ร้ายกาศหยาบช้าเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยพระสัสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เขาฆ่าสุกรตลอด7วันนี้หาไม่ได้อันผลที่เหมาะสมด้วยกรรมเกิดขึ้นแล้วแกเขาความเราร้อนในอเวจีมหานรกปรากฏแกเขาทั้งเป็นทีเดียวโดวยความเราร้อนนั้นเขาร้องเหมือนหมูเที่ยวไปภายในนิเวศอยู่ตลอด7วันวันนี้ทํากาละไปเกิดในอเวจีเมื่อพวกภิกษุกรบทุนว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาเศร้าโศกอย่างนี้ในโลกนี้แล้วยังจะไปเกิดในฐานะเป็นที่เศร้าโศกเช่นกันอีกหรือตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้ประมาทแล้วจงเป็นขรัคก็ตามบัณชิตก็ตามยอมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเป็นแท้อย่างนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า อธิโซจติเปจดจะโซจติโซโซจติโ ซ, โซวิหันยติปาปการีอุพยทะโซจติทิศวะกัมมกิริทะมั ต, ตโนผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเศร้าโศกย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้ว ย่อมเศร้าโศกเขาย่อมเดือดร้อนตอนแก้อักในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปาปาการีเป็นต้นความว่าบุคคลผู้ทําบาปกรรมมีประการต่างๆย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ในสมัยใกล้ตายโดยส่วนเดียวแท้ด้วยคิดว่ากรรมดีเราไม่ได้ทำไว้หนอกรรมชั่วเราทําไว้แล้ว นี้เป็นความเศร้าโศกเพราะกรรมของเขาก็เมื่อเขาเสวยผลอยู่ชื่อว่าละไปแล้วย่อมเศร้าโศกนี้เป็นความเศร้าโศกเพราะวิบากในโลกหน้าของเขาเขาย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองอย่างนี้แล่ด้วยเหตุนั้นแลแม้นายจุนทสศุกริกนั้นชื่อว่าย่อมเศร้าโศกทั้งเป็นทีเดียวบาประกาถาว่าดิสว่ กามกิริทธะมัตโนความว่าเขาเห็นกรรมเศร้าหมองของตนแล้วย่อมเศร้าโศบนเพอมีประการต่างๆอยู่ชื่อว่าย่อมเดือดร้อนคือย่อมลำบากในการจบคาถาภิกษุเป็นอันมากได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่อง นายจุนทัศน์สุกริก